วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปจากนาทีจากวินาทีก็เป็นนาทีจากนาทีก็เป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็เป็นวันจากวันก็เป็นเดือนเป็นปีเวลาผ่านไปเรื่อยๆสังขารก็ร่วงโรยตามไป และหมดไปในที่สุดวันเวลาท่านเปรียบว่าเป็นเหมือนงูที่ค่อยๆเขมือบเบือเข้าไปเทลเล็กเทละน้อยวันเวลาก็เขมือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของต่างๆ ก็จะถูกเวลาเกินกินไปหมดสังขารร่างกายของพวกเราทุกคนก็จะต้องถูกเวลาเกินกิ่นเกินกินไปหมดพระพุทธเจ้าจึงทรงตักเตือนสั่งสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยง มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาจงรีบเร่งทำกิจของตนและของผู้อื่นจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดความไม่ประมาทก็คือ ให้คิดว่าสังขารของเรามีวมีวมีโอกาสที่จะดับไปได้ทุกเวลานาทีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าจะต้องมีการดับไปอย่างแน่นอนจึงอย่าประมาท อย่าผัาวันประการพรุ่งจงมาทำกิจที่พึงกระทำกิจที่ไม่พึงกระทำก็ควรจะยับยัง้งควรจะยุติทำไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อจิตใจคือไม่เปนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อการดับความทุกข์ของจิตใจ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการยุติการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจทําไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกับไม่ได้ทําจงมาทํากิจที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อจิตใจต่อการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจจะดีกว่า เกศที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและทรงนำามามาสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันก็คือเกดในพระอริยสัจสี่เกศในพระอริยสัจสีเป็นเกศที่จะทำให้จิตใจยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติการสร้างความทุกข์ต่างๆ ให้แก่ตนเองยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายให้มาทำกิจอันนี้ดีกว่าเพราะเมื่อทำกิจอันนี้แล้วสาเร็จแล้วจะไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปถ้าทำกิจอย่างอื่นทำกิจทางโลกทำกิจทางลาบยศสรรเสริญ ทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทําไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดทําไปเท่าไหร่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องไปหามาใหม่หามาได้ใหม่แล้ว เดี๋ยวก็หมดไปอีกตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเพื่อมาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วจำนวนน้ำตาที่ต้องหลัง่งในระหว่างที่มาเกิดในระหว่างที่มาทุก มาเศร้าโศกเสียใจมาร้องหมร้องไห้น้ำตาที่หลังนั้นถ้ารวบรวบมเอาไว้จะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเองนั่นก็คือผลของกิจที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ก็คือน้ำตาที่มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร น้ำตาที่ออกมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปเวลาที่จะต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักไปน้ำตาก็หลั่งออกมาถ้ามีที่เก็บได้จะสมรวบรวมไม่ได้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสีย เพราะเรากลับมาร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาเกิดเพื่อมาร้องไห้กันใหม่ไม่ได้มาเกิดเพื่อทำอะไรมาเกิดเพื่อร้องไห้กันโดยที่ไม่อยากจะร้องแต่ก็ต้องร้องเพราะไม่รู้ว่าถูกหลอกให้มาเกิดนั่นเองถูกหลอกให้มาเกิด เพราะคิดว่ามาเกิดแล้วจะมีความสุขมาเกิดแล้วจะได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพธพะเวลาได้มาก็ดีอกดีใจกันเลี้ยงฉลองกันเวลาได้ตาแหน่งได้อะไรมาได้ภรรยาได้สามีมีการเลี้ยงฉลอง มีงานแต่งงานมีงานวันเกิดกันก็เลยเห็นว่าการมาเกิดนี่เป็นสุขแต่ไม่ได้เห็นตอนที่มันแก่ตอนที่มันเจ็บตอนที่มันตายตอนนั้นไม่มีใครจัดงานเลี้ยงฉลองวันแก่กันไม่มีใครเลี้ยงฉลองวันเจ็บใข้ได้ป่วยกันไม่มีใครเลี้ยงฉลองวันตายกัน มีแต่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้กิจของพระอริยสัจสี่ไม่รู้ว่าพระอริยสัจสี่คืออะไรและจะไม่มีวันรู้ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่มีวันรู้เรื่องกิจของพระ อ, อริยสัจ ส, สีว่ามีอะไรบ้างจะต้องทาอะไรบ้างแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็จะได้เรียนรู้กิดในอริยสัจ ส, สี่ที่จะมา ดับน้ำตาหยุดการหลั่งน้ำตาของสัตว์โลกทั้งหลายหยุดความเศร้าโศกเสียใจหยุดความทุกข์ทรมานใจหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่คือกิที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้รีบทำกัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจพระยาศาสตร์ก็คือจะได้หยุดหลังน้ำตากันหยุดเศร้าโศกเสียใจกันหยุดร้องห่มร้องไห้กันหยุดเวียนว่ายตายเกิดกันนี่แหละคือกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทั้งหลายมาทำกัน มายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหมดสิ้นไปต้องทำให้กับตนเองก่อนจงยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมแล้วก็ไปยังประโยชน์ของท่านผู้อื่นต่อไปถ้าเรายัง ทำกิจของเราไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับตัวเราไม่ได้เราจะไปสอนให้ผู้อื่นเขายังประโยชน์ให้กับเขาได้อย่างไรเราต้องทําประโยชน์ของเราให้ได้ก่อนเมื่อทําได้แล้วเราก็จะได้รู้วิธีทําประโยชน์จะได้เอาไปสอนผู้อื่นอีกต่อนหนึ่งในตอนนี้ ได้ยังไม่ได้ยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก็ต้องทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนอย่าไปกังวลกับประโยชน์ของผู้อื่นเพราะจะไม่ทำเพราะจะทาไม่ได้ถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ที่จะทำให้หลังน้ำตาต่อไปไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่จะให้หยุดหลังน้ำตา ปรโย์ที่เรามักจะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประโยชน์ชั่วคราวเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต้องกลับมาหลังน้ำตาใหม่เพราะเรายังไม่รู้จักประโยชน์ที่แท้จริงถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเอง ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงก่อนถ้าเราไปช่วยประโยชน์ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไปทำประโยชน์ที่จะทำให้เราต้องหลั่งน้ําตากันต่อไปเพราะประโยชน์ที่เรารู้จักทำกันก็คือประโยชน์ทางลาบยศจะละเสนทางความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายเท่านั้น เราจะไม่รู้จักประโยชน์ที่จะทำให้ยุติการหลั่งน้ำตายุติการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเราควรที่จะศึกษาพระอริยสัจสี่กันก่อนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่ให้ถึงพร้อมให้สำเร็จรู้ล่วงไปเมื่อสำเร็จรู้ล่วงแล้วทีนี้ก็ สามารถที่จะสอนให้ผู้อื่นได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างถูกต้องได้อย่างแน่นอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้กระทำกันมาพระพุทธเจ้าก็ส่งบำเพ็ญ ประโยชน์ของพระ อ, องค์ต่อตอนตลอดระยะเวลาหปีของการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเลยเพราะตนเองยังทําประโยชน์ให้กับตนเองไม่เป็นเลยต้องศึกษาและปฏิบัติจนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อได้ประโยชน์อย่างสมบูรณนะ์แล้วพระองค์ก็ส่งไปสั่งสอนผู้อื่นอีกทอดหนึ่งกินปากฏมีพระอริยสงสาวกปากฏขึ้นมากันเป็นจำนวนมากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญหกปีนั้นไม่มีพระอริยสงสาวกแนมะ้แต่รูปเดียวและก่อนหน้านั้นเป็นเวลา เป็นกับก็ไม่มีพระอริยสงสาวกอยู่ในโลกนี้เลยเพราะไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้กิจในพระอริยสัจสี่ก็เลยไม่มีใครที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้จะมีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ที่ได้ทรงออกบวชเป็นสัมมาโคตะมะแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญบารมีขั้นสุดท้ายจนได้มีดวงตาเห็นธรรมได้พบพระอริยสัจสีได้บำเพ็ญกิจในพระอริยสัจสีได้อย่างสมบูรณ์ทำให้พระองค์หลุดพน้น จากวัตตะสงสารวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทรงหยุดหลังน้ำตาไม่มีน้ำตาที่จะหลังอีกต่อไปสำหรับพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์จึงทรงนำป้าอริยสัตว์สี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ต่อไปพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดศรัท ธ, ธาเกิดความเข้าใจก็จะบำเพ็ญกิจในพระอริยสัจสี่จนสามารถบำเพ็ญบรรลุ ก, กิจของพระอริยสัจสีได้อย่างสมบูรณ์ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา ได้เป็นพระอาหารหันต์สาวกขึ้นมาแล้วก็ได้ช่วยนําเอาพระอริยสัจสีนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเวลาที่พระสาวกแต่ละองค์ได้บรรลุทำได้หลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น โดยให้ไปคนละทิศทนละทางกันอย่าไปด้วยกันแยกกันไปเพื่อจะได้กระจายความรู้อันวิเศษนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้รับรู้อย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันเพ็ญเดือน วันอาสาบูชามาจนถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาคาบูชาก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็1250รูปที่ได้ไปกระจายไปตามกทิตย์ทางต่างๆไปเผยแผ่ทำตามทิศต่างๆได้มีความปรารถนาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยที่ไม่ได้ดัดหมายกันมาก่อนมาด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความทราบซึ้งในพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้านี่คือบรรดาพระอริยสงฆ์ที่ปรากฏขึ้นมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญกิจของพระองค์บำเพ็ญประโยชน์ของพระองค์ จนสำเร็จรู้เรื่องแล้วหกปีแรกนี้ไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกไม่มีพระพุทธเจ้าแต่พอหลังจากได้บำเพ็ญหกปีแล้วก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็นำเอาพระธรรมคำสอนอันวิเศษนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นหลังจากได้เผยแผ่ในระยะเพียงเจ็ดเดือนแรกก็มีพระอริยสงฆ์สาวก พระอาลันตสาวคอย่างน้อยที่มาปรากฏมารวมกันก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปและคงจะมีอีกหลายรูปที่ไม่ได้มานี่คือวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายท่านมุ่งไปที่การยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัว คนโง่เขลาเบาปาัญญาคนที่ชอบตำหนิติเตียนผู้อื่น<ม>ก็จะตำหนิว่าพระพุทธเจ้านี้เห็นแก่ตัวหนีไปบวชทิ้งครอบครัว <c oughs> ทิ้งบุตรทิ้งภรรยาทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบวชแต่ไม่มองถึงเวลาที่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้แล้วแล้วได้กลับมาสงเครห์ ครอบครัวทาให้พ่อแม่บุตรธิดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันอันนี้ไม่พูดถึงคนที่จ้องตำหนิผู้อื่นจะจ้องดูแต่ส่วนที่ไม่ดีทั้งทั้งทั้ ง, ท, งที่เป็นส่วนที่ดีก็สามารถบิดให้มันกลายเป็นส่วนที่ไม่ดีได้ว่าทิ้งผู้อื่นไปหนีไป หนีไปหาประโยชน์เป็นการเห็นแก่ตัวแต่ไม่เห็นว่าหลังจากที่ได้ทรงสำเร็จประโยชน์ของพระองค์แล้วพระองค์ก็สรงกลับมาช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องที่ได้เสด็จตามเสด็จออกบวชกันหลายรูป มีพระมารดาก็ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วได้บรรลุธรรมกันนี่แหละเป็นการบำเพ็ญของคนฉลาดถ้ามัวแต่ห่วงครอบครัวห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงลูกห่วงบิดามารดาก็จะไม่สามารถไปศึกษาไปปฏิบัติไปบรรลุธรรมได้ ก็จะไม่สามารถที่จะมาช่วยบิดามารดาสามีภรรยาบตทธิดาญาสนิทมิตรสาหให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็จะต้องกอดกันเหมือนคนที่กอดกันจมน้ำตายไปไม่หัดว่ายน้ำกันถ้าหัดว่ายน้ำกันก็จะไม่มีใครจมน้ำตายถ้าไม่หัด งัวแต่มากอดกันมาเกาะกั น, ม า, กกนมาพึ่งกันซึ่งก็พึ่งกันไม่ได้เพราะแต่ละคนก็สังขารก็จะต้องร่วงโรยไปเมื่อร่วงโรยไปแล้วจะไปพึ่งใครนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เราควรที่จะเอามาศึกษาเอามาเป็นแบบเป็นฉบับถ้าเราอยากจะได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและจะได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถทำได้ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตายไปแล้ว 2,500 กว่าปีแต่พระบารมีของพระองค์ยังปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จนถึงบัดนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว mm hmm. ถึงแม้พระสลีละของพระองค์จะได้จากไปแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ที่เป็นศาสดาแทนพระองค์ mm hmm. ก็ยังเผยยังแผ่บารมีอัน ยิ่งใหญ่ให้แก่สัตว์โลกได้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกดังที่เราได้กล่าวถึงกันเสมอว่าธรรมังสา ร, รนังกัจฉามิเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งของเรานี่ะธรรมะก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าทมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละ ที่เป็นสวาขาโตภะควตาธรรมโมนี้จะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปหลังจากที่เราได้จากพวกเธอไปแล้วพวกเธอจะไม่ได้อยู่ป่าสจากาศาสดาถ้าพวกเธอเข้าหาพระธรรมคำสอนที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่คือ สิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาควรที่จะศึกษาอย่าปล่อยให้กิเลสโมหะอาวิชามาคอยหลอกให้เราไม่สนใจกับการเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าัวแต่สอนให้เราคอยกังวลวิตกกับทรัพย์สมบัติต่างๆ กังวลกับลาบยศจัลลเสินกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักของวตตะสงสารผู้ใดถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับลาบยศจัลลเสินเกี่ยวข้องกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ไปติดกับ ของวตะสงสารเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์โลกนี้ได้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหมือนอเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดเมื่อเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอ ฮุบเหื่อเข้าไปแล้วก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวพอไปฮุบเอาลาบยศสรรเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็จะติดตะขอเบ็ดของวัตตะสงสารทำให้ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย พอติดมีตะขอเบ็ดเกี่ยวปากไว้นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ไม่เข้าหาธรรมะจะถูกความหลงหลอกให้เห็นเหยื่อชิ้นเล็กๆว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีถ้าผู้ใดมีความยินดีต่อลาบยศสรรเสริญ ยินดีต่อความสุขทางตาหูจมูกลินกายก็เปรียบเหมือนกับปลาโง่ที่เห็นเหยื่อชิ้นเล็กๆที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะแต่ผู้ที่เห็นว่ามันเป็นเพียงเหยื่อที่จะล่อปลาให้ไปติดกับตะขอเบ็ดเนยก็จะเป็นปลาที่ฉลาดจะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปพุบเอาเหยื่ออันนั้น จะถอยหนี้ไม่ต้องการเหยื่อแบบนั้นไม่ต้องการอาหารแบบนั้นไปหาอาหารที่ไม่มีตะขอเบ็ดเกี่ยวอยู่ดีกว่าก็คือไปหาธรรมะกันเข้าหาธรรมะกันไปศึกษาธรรมไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นอาหารอันโอชะอาหารที่ไม่มีเหยื่อติดอยู่ จะไม่ต้องมาติดกับของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปหาธรรมะไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีแต่หลุดพ้นจากตะขอเบ็ดของวัฏะสงสารจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปดังนั้นควรที่จะ ฟังพระพุทธเจ้าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงอย่าฟังแบบทับพีในหม้อแกงฟังแล้วไม่เกิดความติดอกติดใจฟังแล้วไม่เกิดความสนใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนทับพีในหม้อแกงไม่รู้คุณค่าของรสของแกงว่าอร็ดอร่อยขนาดไหน ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงนี่พอได้สัมผัสกับรสของแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้ว่าเป็นอาหารอันโอชะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงต้องฟังแบบลิ้นกับแกงแล้วจะเข้าใจความหมายว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงเป็นอย่างไรเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะรู้ว่าไม่มีคมสอนอันใดในโลกนี้ ที่จะวิเศษเท่ากับคาสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นขนงไหนก็ตามเป็นศาสตร์ไหนก็ตามจะสู้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเป็นคำสอนที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคำสอนต่างๆนั้นไม่สามารถทำให้ผู้ ที่เรียนรู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เลยไม่ว่าจะเรียนแขนงไหนศาสตร์ไหนระดับปริญญาไหนก็ตามจะเป็น ญ, ญาตรีโทเอกบรรลุจบแล้วก็ยังต้องล้องห่มล้องไห้กันยังต้องเศร้าโศกเสียใจกันเพราะเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รลดพ้นจากความทุกข์นั่นเอง แต่ถ้ามาเรียนรู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นความรู้ที่เอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้มีความรู้เพียงอันเดียวนี้เท่านั้นก็คือความรู้ของพระพุทธศาสนาคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่เกิดฉันทวิริยะก็แสดงว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแก่ฟังแบบไม่รู้เรื่องฟังแบบพอหอมปากหอมคอฟังแล้วไม่เข้าใจไม่สนใจที่จะทำความเข้าใจฟังแล้วก็ผ่านไปเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปแต่ไม่มีการที่จะน้อมเอาธรรมะไปปฏิบัติต่อ ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงแล้วฟังแล้วจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรีบน้อมเอาไปปฏิบัติทันทีนี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่วิเศษยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่นานๆจะปลาปรากฏ ให้เป็นที่รู้เห็นของโลกสักครั้งหนึ่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้พระธรรมอันวิเศษนี้แล้วนำเอาพระธรรมอันวิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกและก็จะอยู่ไปได้ไม่นานหลังจากไม่กี่พันปีพระธรรมอันวิเศษนี้ก็จะ หายไปจากโลกหายไปจากความสนใจเพราะสว์โลกไม่มีลิ้นที่จะมารับสัมผัสกับแกมีแต่ทัพพีนฟังเทศฟังธรรมไปก็ไม่มีความรู้สึกกระตือรือร้นไม่มีความตื่นเต้นดีใจอฟังไปแล้วก็ผ่านไปขาดความสนใจขาดฉันทะวิริยะ ก็จะไม่มีการปฏิบัติเมื่อไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุถึงผลของการปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้บรรลุผลก็เลยไม่มีใครมาเป็นผู้ที่จะมาประกาศมาโฆษณาความวิเศษของธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปก็จะไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมถึงแม้มีก็ไม่มีใครสนใจ ปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกเพราะไม่มีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาสอนมาบอกต่อไปก็ไม่มีใครสนใจก็จะเป็นเพียงแต่หนังสือฉบับหนึ่งหนังตำราชุดหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาศาสนาพระธรรมคําคสอนของ พ, พระพุทธเจ้าก็จะหมดไป นี่คือเรื่องของการประมาทการที่ไม่ให้ความสำคัญต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมัวแต่ถูกความหลงหลอกให้ไปให้ความสนใจกับความสุขชั่วคราวความสุขปลอมความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ให้ไปสนใจกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นเองคือไปสนใจกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลินกายที่เป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่เหมือนควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปเมื่อหมดก็ต้องหาใหม่ก็เลยต้องหอยหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตาย พอตายไปก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่โดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่รู้ว่าต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่รู้เพียงอย่างเดียวว่าต้องหาความสุขให้ได้และความสุขที่หาได้ง่ายที่สุดก็ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะะก็เลยไม่ไปสนใจที่จะหาความสุขที่แบบถาวร หาแล้วเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ต้องหาอีกต่อไปเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับจิตใจไปตลอดเป็นความสุขที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอันนี้จะไม่รู้ถ้าไม่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าให้ความสนใจมนศึกษาอยู่เรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆก็จะค่อยเกิดความเข้าใจขึ้นมาตามลำดับแล้วจะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้เห็นคุณค่าแล้วก็จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ว ผลอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในจิตใจก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับและหมดไปได้ในที่สุดถ้ามีการศึกษาและมีการปฏิบัติศึกษาอะไรก็ศึกษาพระอริยาาสัจสีปฏิบัติ กปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่คืออะไรก็คือความจริงที่ประเสริฐสี่ประการด้วยกันความจริงหรือเรียกว่าความจริงของผู้ประเสริฐก็ได้ผู้ประเสริฐเท่านั้นถึงจะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้คือพระอริยบุคคลทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐอริยสัจความจริงของพระอริยะ ความจริงที่มีแต่พระอริยะเท่านั้นที่จะรู้ที่จะเข้าถึงได้ปุถุชนอย่างพวกเรานี้ยังเข้าไม่ถึงแต่สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยบา ร, รมีของพระอริยะมาสั่งมาสอนมานําทางม า, มาดึงเราให้ไปสู่พระอริยสัจสี 4. นี้ถ้าไม่มีพระอริยสัต์ไม่มีพระอริยมาเป็นผู้นําทาง พวกเราจะไม่สามารถเข้าถึงพระอริยสัจสี่นี้ได้เราจึงต้องเข้าหาพระอริยสัจพระอริยองค์ใดองค์หนึ่งถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไปหาพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีก็ต้องไปหาพระธรรมคำสอนที่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนถ้ามีพระอริยสงสาร ก็ไปหาพระ อ, อริยสงสาวกแล้วท่านจะสอนพระ อ, อริยาาสัจสีแล้วจะสอนวิธีปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ให้นําเอาไปบําเพ็ญนําเอาไปปฏิบัติเมื่อได้บําเพ็ญได้ปฏิบัติแล้วผลที่จะเกิดจากการบําเพ็ญกิจในพระ อ, อริยาาสัจสีก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับคือความดับทุกข์ก็จะดับไปตามลําดับ ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับของการดับทุกข์เมื่อความทุกข์ดับหมดความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มเต็มร้อยเป็นความสุขที่เรียกว่าบร ม, มสุขนี้นี่คือประโยชน์หรือกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราให้มาศึกษาให้มาบําเพ็ญกัน พะเวลาของพวกเรามันจะมีแต่หมดไปมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบขนขวายเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาพอเระองค์ทรงตัดแล้วว่าถ้ารีบบันเ็นได้บางทีเจ็ดวันก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี ตอนนี้เรามีอะไรรับประกันว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้ถึงเจ็ดปีหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดวันเราไม่รู้เราอาจจะอยู่ไม่ถึงเจ็ดวันก็ได้หรืออยู่ไม่ถึงเจ็ดเดือนก็ได้อยู่ไม่ถึงเจ็ดปีก็ได้ให้คิดอย่างนี้ก็ที่เราจะได้รีบขวนขวายรีบเอาเวลาที่เหลืออยู่น้อยนี้มาบําเพ็ญเสีย โอกาสที่จะได้บําเพ็ญได้ศึกษากิจของพระอริยสัจสีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกภพทุกชาติพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลามีมาแล้วก็หายไปนานๆก็จะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วอยู่ได้สักพักหนึ่งก็หายไปผู้ใดได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ก็เป็นเหมือนผู้ที่โชคดีเหมือนผู้ที่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนานๆจะมีคนถูกลอตเตอรี่กันสักครังรางวัลที่หนึ่งกันสักครั้งมีคนน้อยคนเนี่ยคนไทยมีเป็นหลายสิบล้านคนเดือนหนึ่งก็จะมีถูกลอตเตอรี่ได้แค่ไม่กี่คนเนี่ยการที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ก็เป็นของที่ไม่ใด้จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันหลุดมือไปเหมือนเมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ควรรีบไปขึ้นรางวัลอย่าอย่าอย่าทิ้งลอตเตอรี่ใบนั้นไปใครถูกลอตเตอรี่แล้วทิ้งรถทิ้งลอตเตอรี่นั้นทิ้งไปก็ถือว่าเป็นคนโง่เท่า น, นั้น คนที่ไม่ฉลาดคนฉลาดเมื่อรู้ว่าถูกลอตเตอรี่แล้วก็รีบไปขึ้นรางวันกันทั้งนั้นใ<ม>ดผู้ใดได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่ก็เหมือนได้พบได้ถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งแต่รางวันที่ได้รับจากพระพุทธศาสนานี้มีคุณค่าราคามากกว่ารางวันที่หนึ่งหลายแสนล้านเท่าได้พบกับบรลลังกมส ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้รับจากการได้เงินรางวัลเป็นแสนล้านบาทมา เ, เงินรางวัลที่ได้แสนล้านมาแสนล้านบาทมานี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้รับจากการบรรลุธรรมไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ ตอนนี้พวกเราถือว่าทุกคนได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปขึ้นรางวัลกันวิธีขึ้นรางวัลก็คือเนี่ยไปศึกษาพระอริยสัจสี่แล้วก็ไปปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ถ้าศึกษาแล้วปฏิบัติได้แล้วก็จะได้รับรางวัลทันทีได้รับ ปลามังสุ ข, ขังทันทีได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ปิดก๊อกน้ําตาจะไม่มีน้ําตาที่จะหลั่งออกมาอีกต่อไปจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปดังนั้นขอให้เรามาศึกษาพระอริยสัจสี่และกิจในพระอริยสัจสีกันเอพระอริยสัจสี่มีสี่ข้อ ข้อที่หนึ่งความจริงข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์เนี่ยอะไรคือทุกข์เนี่ยมาศึกษาว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ ก, ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพาดจากกาันนี่คือเรีย ก, กว่าความทุกข์ถ้ามีการเกิดแล้วจะต้องมีความทุกข์ตามมาเพราะจะมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพราดจากกันตามมานี่คือ พระอริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งคือทุกข์ข้อที่สองสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็ต้องศึกษาว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุของความเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของความเกิดแก่เจ็บตายของความร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็คือตันหาตันหาก็มีสาม ตันหาแปลว่าความอยากมีกามะตันหาคือความอยากในกามะคุณห้าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอยากสัมผัสอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเรียกว่ากามะตันหาภาวะตันหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่มอยากรวยอยากให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญเยินยอ อยากได้รับรังวีรางวัลอันนี้ก็เรียกว่าอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นภาวะวิภวะตัณหาตัณหาข้อที่สามก็คือวิพัทวะตันหาความอยากไม่เป็นไม่มีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้เขาดูถูกเหยียดหยามอยากไม่ยากจนอยากในสิ่งที่เราไม่ปรารถนา นี่คือวิภวตันหาถ้ามีความอยากสามประการนี้ก็จะทำให้มีทุกข์มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพลาดจากกันถ้าอยากจะให้อ า, อาอรยะสัตร์ข้อที่สามคือนิโรดนิโรธแปลว่าการดับของความทุกข์ หรือการพ้นทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่านิโรธคือคือทุกข์จะหายไปจากใจนี่เป็นความจริงข้อที่สามมีทุกข์แล้วก็มีการดับทุกข์เรียกว่านิโรธและข้อที่สี่สัตว์จะข้อที่สี่คือมรคมรกแปลว่าหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ มีทุกขก็มีเหตุที่จะทำให้ทุกนั้นดับไปได้มีเหตุที่ทำให้เกิดทุกก็มีเหตุที่จะทำให้ทุกดับไปมีเหตุที่จะทำให้มีนิโรธปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือการดับของความทุกปรากฏขึ้นมาต้องปรากฏต้องเกิดจากมรรคมรรคก็คืออะไรมรรคก็คือการปฏิบัติที่มีอยู่ แข้อด้วยกันที่เรียกว่ามรรคแปดหรือถ้าย่อลงมาก็เป็นศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเป็นมรรคเหมือนกันถ้าเป็นผู้คลองเรือนก็ใช้ทานศีลภาวนาเป็นมรรคถ้าเป็นนักบวชก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาที่ต่างกันก็เพราะว่าผู้คลองเรือนยังมีทรัพย์ ยังใช้รับยังหารับอยู่ก็เลยต้องใช้การทำฐานเพื่อจะได้ยุติการใช้ซับการหาซับที่ไม่ถูกต้องเกิด อ, อย่าใช้รับพเพื่อไปส่งเสริมสมุทัยเกิดต้นเหตุของความทุกข์เพราะถ้าไปส่งเสริมต้นเหตุของความทุกข์ก็จะทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆแทนเอารับไปใช้ ตามความอยากต่างๆอยากซื้ออะไรก็ซื้อซื้อของที่ไม่จําเป็นที่เรียกเรียกก็เป็นความอยากอยากไปเที่ยวอยากไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปกินไปดื่มก็ใช้ทรัพย์ทำอันนี้จะเป็นการสร้างสมุทรไทยให้มีมากขึ้นความสุขที่ได้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ได้มาแล้วก็หายไปแต่สมุทรไทยความอยากไม่ได้หายไปกับความสุข แต่กลับจะมีเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและจะทําให้ใจทุกข์เมื่อไม่สามารถทําตามความอยากได้พระพุทธเจ้าเวลาสอนฮะสอนมรรคให้แก่ผู้ครองเรือนผู้ที่ยังใช้ทรัพย์หาทรัพย์อยู่ก็สอนให้ยุติการใช้ทรัพย์ไปในทางที่ผิดคืออย่าไปใช้ทรัพย์เพื่อส่งเสริมสมุ ท, ทยัยส่งเสริมความทุกข์ให้นําไปใช้ เป็นการส่งเสริมมรรคเพื่อจะได้ดับทุกข์ก็คือให้เอาไปทาทานเอาไปทำบุญสำหรับนักบวชนี้ก็ได้ทาทานทำบุญจนหมดแล้วไม่มีทรัพย์หลงเหลืออยู่แล้วเวลาไปบวชนี้ไม่มีทรัพย์ติดตัวไปแล้วมีทรัพย์สมบัติมากน้อยก็ทาทานไปหมดแล้วพระองค์ก็เลยไม่ได้สอนทานให้แก่นักบวชก็สอนศีลสมาธิปัญญา ของศีลสมาธิปัญญาของญาติโยมก็คือศีลกับภาวนานี่เองศีลก็เหมือนกันศีลของญาติโยมตอนต้นก็ศีลห้าแล้วต่อไปก็ให้เป็นศีลแปดภาวนาก็สมถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาอันนี้เป็นมรรคเหมือนกันจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นทานศีลภาวนา จะเป็นมากคแปดคือสัมมาทิฏฐิสัม e สมาสังกัปปะสั so มสมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองเพราะสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวก็คือศีลนี่เองสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือสมาธิสัมมา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญานี่คือมรรคที่จะเป็นผู้ที่จะมากำจัดสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ผู้ที่จะทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาด้วยการไปกำจัดถ้ามีมรรคก็จะสามารถไปกำจัดสมุทัยได้ เมื่อไม่มีสมุทยัยนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะมีกิจทั้งสี่ประการนี่อยู่ในอริยสัจสี่กิจข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องศึกษากำหนดรู้ก็คือให้ศึกษาว่าอะไรคือทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากกันนี่คือความทุกข์อย่าไป เข้าใกล้พูดง่ายๆอย่าไปเกิดเหมือนกองไฟความทุกข์นี่คือกองไฟถ้าเห็นกองไฟอยู่ที่ไหนอย่าเดินเข้าไปในกองไฟให้เดินหนีออกจากกองไฟนี่คือการศึกษาให้รู้ว่าทุกข์นี้เป็นอันตรายต่อจิตใจอย่าเข้าใกล้ยอย่าไปเกิดอย่าไปแก่อย่าไปเจ็บอย่าไปตายอย่าไปพัดพากจากกัน และเหตุที่ทำให้ไปเกิดก็อยากไปสร้างมันขึ้นมาเหตุที่ทำให้ไปเกิดก็คือตัณหาทั้งสามที่เรียกว่าสมุทยัยกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหตุสมุทัยก็ต้องละต้องละเหตุนี้เหตุนี้เป็นตัวนึงให้เราเข้ากองไฟกันคือความอยากทั้งสามถ้าไม่อยากจะเข้ากองไฟเราต้องละความอยาก แล้วเราจะละได้อย่างไรถ้าเราไม่มีมรรคเราละไม่ได้เราต้องละมรรคมรรคเราจึงต้องเจริญให้มากเราต้องสร้างมรรคขึ้นมาให้ได้ตอนนี้เราไม่มีมรรคเราก็จะไม่มีกําลังดึงตันหาให้ออกจากกองไฟตันหาจะดึงใจของเราให้เข้ากองไฟอยู่เรื่อยๆเราจึงต้องมาเจริญมรรคกัน ถ้าเป็นคารวะก็มาเจริญทานศีลภาวนาถ้าเป็นนักบวชก็ให้เจริญศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดนี่ถ้ามีมรรคแปดแล้วจะมีกําลังที่จะหยุดสมุทัยคือตันหาทั้งสามได้หยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้เมื่อหยุดได้ ใจก็จะไม่เข้าไปในกองไฟใจก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็คือนิโรธเนี่ยนิโรธก็ปรากฏขึ้นมากิจในนิโรธก็คือต้องทำให้แจ้งมักต้องเจริญให้มากนี่คือภารกิจสี่ประการในพระอริยสัจสีคือหนึ่งทุกข์ต้องกำหนดรู้ต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์สองสมุทยัยต้องละ สมุไทยก็คือตันหาทั้งสามต้องละตันหาทั้งสามจะละตันหาทั้งสามได้จะต้องละด้วยมรรคจึงต้องมรรคจึงต้องเจริญต้องเจริญให้มากจเจริญให้สมบูรณ์ถ้ามรรคสมบูรณ์เมื่อไหร่ถ้ามรรคมีครบร้อยเมื่อไหร่ก็จะสามารถละตันหาทั้งสามได้ครบร้อยได้เต็มร้อยเมื่อละตันหาได้ครบเต็มร้อยนีโรดก็จะปรากฏขึ้นมา การดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานิโรธต้องทำให้แจง้งทำให้แจ้งด้วยการเจริญมรรคเมื่อเราจเจริญมรรคเราก็จะล ะ, ะละสมุทัยได้เมื่อเราละสมุทัยได้เราก็จะทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาและการที่เราจะละสมุทยัยเราก็ต้องรู้ว่าละทำไม ละละสมุทัยเพราะเรารู้ว่าสมุทัยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาการที่เราจะรู้ว่าทุกข์คืออะไรเราก็ต้องมีมรรคนั่นเองก็ต้องมีปัญญาถึงจะรู้ปัญญาก็ต้องปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสารุกเราจึงต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเราถึงจะได้รู้ว่าทุกนี้คือ การเกิดแก่เจ็บตายและผู้ที่สร้างความทุกข์ก็คือสมุทยัยและเราต้องถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะให้นิโรธปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องสร้างมรรคขึ้นมาถ้าเรามีมรรคมีทานศีลภาวนามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะละตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้พอละตัณหาหมดไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมา คือความดับของทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็จะหายไปจากใจเมื่อทำนิโรธได้แจ้งแล้วภารกิจในพุทธศาสนาก็สำเร็จลงไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปวุตสิตังบ ร, รมจาริยังกิจในพรมจรรันทร์คือกิจในพระอริยสัจสีก็ได้สิ้นสุดลงแล้วผู้ที่มาบวชนี่เือเรียกว่าเป็นผู้เป็นพรมจรรันทร์ มาทำกิจของพรหมจันทร์ก็คือมาทำกิจในอริยสัจสี่เมื่อทำกิจในอริยสัจสี่สมบูรณ์แล้วทุกได้กำหนดรู้แล้วสมุทยัยได้ละแล้วนิโรธได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคได้เจริญให้ครบบริบูรณ์แล้วกิจในพระอริยสัจสี่ก็สิ้นสุดลงเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจก็ได้ยุติลงไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่มีการหลั่งน้ำตาล้องหม่มล่องไห้กันอีกต่อไปมีแต่ปรมังมสุขขังไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประโยชน์ที่ที่เราควรที่จะทำเพื่อตัวเราก่อนเมื่อเราได้ทำประโยชน์อันนี้สำเร็จแล้วทีนี้เวลาที่เรามีเหลืออยู่เราก็นำเอาไปเผยแพร่สั่งสอนผู้อื่นอีกต่อไปเพราะผู้ที่ได้บรรลุได บรรลุประโยชน์ในในกิจของพระอริยาศาสตร์แล้วจะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับอะไรอีกแล้วมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขมีแต่ความพอก็เลยมีเวลาที่จะสามารถนาเอา ความรู้อันวิเศษที่ตนเองได้พบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปและสามารถสั่งสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำสามารถทําให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดศรัทธาเกิดฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติตามต่อไปแล้วก็จะทําให้เขาได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปแล้วเขาก็จะได้ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไป ก็จะทำให้การปรากฏของพระพุทธศาสนานี้ยืนยาวนานต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตราบใดมีผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่แต่ถ้าเมื่อไม่มีผู้ใดสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติกิจของพระอริยสัจสี่เมื่อนั้นก็เป็นวาระสุดท้ายของพระาศาสนาก็ขอให้พวกเราจงเอา ทาที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริพิจารนาะว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง ม, มีแต่จะแก่ลงไปมีแต่จะค่อยๆหมดไปอย่าปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้หลุดไปโดยไม่มาทำประโยชน์ให้กับตนและประโยชน์ให้กับผู้อื่นตามลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้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 ภราสุยถาสพีติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวอภิวาทนสีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารโธรรมวะทานติอายุวันโอสุขัง พาลาา่าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคําถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเลิกประชุมหลังจากประชุมแล้วของวดตอบใครมาถามก็จะไม่ตอบมันจะหาว่าไม่เมตตาไม่ได้ <c oughs> เพราอเมตตาตอนนี้แล้ว <c oughs> เพราะว่ามันถึงเวลาพักก็ต้องพัก นักมวยก็ยังมีตีละครเวลาครั้งเขาก็ไม่ดึงให้ไปชกอันนี้ก็ต้องหยุดกินน้ำกินอะไรพักผ่อนบ้างถ้าใครไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเป็นคำถามเราก็เขียนข้อความเข้ามาก็ได้เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเพราะคำถามของเราก็จะเป็นเหมือนกับคำถามของผู้อื่นถ้าเราถามแล้วเขาได้คำตอบเขาก็เลยจะไม่ต้องมาถาม ถ้าเราตอบคนเดียวเด็อีกหลายคนไม่ได้รู้คำตอบก็จะมาถามเราอีกแต่ตอนนี้ถามทีเดียวคนรู้เป็นร้อยเนี่ยมีคนติดตามทางบ้านห้าหกร้อยในถ่ายทอดสดแล้วยังหลังจากนั้นยังมีอ่านย้อนหลังดูย้อนหลังอีกเพราะฉะนั้นขอให้คิดว่าเป็นการเผยแผ่ทำทุกคนเราเป็นมีปัญหาเหมือนกันมีความไม่สบายใจเหมือนกัน เวลาใครถามคนอื่นก็จะได้รู้วิธีแก้ปัญหาจะได้ไม่ต้องมาถามซ้ำแล้วซ้ำอีกอมีถ้ายังไม่มีใครถา ม, มก็เดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาตอบคำถามวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่น้องกลับนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ทางเฟ e บุ๊กมีผู้ติดตามทั้งหมดสามรอยสี่สิบหกคนทาง YouTube มีผู้ติดตาม97คนและเรเดีโอมีผู้ติดตาม4คนครับคุก็400กว่าวันนี้คำถามคำหนึ่งไปถึงคนต้อง 4-500 คนถ้ามาถามต่อหน้าคุยกันสองคนก็ได้แค่คนเดียวจึงไม่อยากจะตอบเฉพาะตนเพราะว่ามันเสียเวลาจับปลาได้ทีละตัวสู้เวงแหะดีกว่าได้ทีเป็นเป็นกอบเป็นกรรม อ่าทำเอาทำถามทางบ้านก็คำถามจากทางไลน์ค่ะหากเรามีจิตใจที่ชอบทําบุญทําทานชอบนั่งสมาธิทําความสงบเจริญทางปัญญาพิจารณาสิ่งที่มากระทบในแต่ละวันแต่ก็ยังมีการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายชอบทานอาหารอร่อยชอบดูคอนเสิร์ตชอบแต่งตัวแบบนี้เรียกว่าเราทําบาปไหมคะหรือเรียกว่าทําบุญแต่ไม่รับบาป แต่ไม่นับบาปเจ้าค่ะก็มันไม่ถือว่าเป็นการทําบาปหรอกการชอบของรักของสวยของงามการชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายมันเป็นความหลงมากกว่าเป็นความหลงที่พาให้เราต้องมาติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเราต้องมีร่างกายถึงจะสามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้พอร่างกายนี้ตายไป ความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะดึงใจให้กลับมามีร่างกายอันใหม่ก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่เพราะทุกครั้งที่เกิดมันก็ต้องมีแก่ม่เจ็บไม่ตายมีปัญหาวุ่นวายเรื่องราวต่างๆมากมายกายกองถ้าฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็ควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้มันไปทางบุญทางกุศลอย่างเดียวจะดีกว่าพยายามลดละตัดความรักความสวยความงาม ลดละความชอบความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการกระทําพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพวกเราพระองค์ก็ทรงมีความสุขกับทางตาหูจมูกลิ้นกายมาก่อนแต่หลังจากที่ได้ทรงเห็นว่าจะต้องแก่เจ็บตายจะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็เลยตัดสินใจเลิกดีกว่า หยุดดีกว่าเพราะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวถึงเวลาหาความสุขไม่ได้จะทุกมากก็เลยมุ่งไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากการทําบุญปฏิบัติธรรมคำถามจากในไลน์ต่อค่ะนั่งสมาธิพุทโธดูลมหายใจที่ปลายจมูกจุดเดียวพอลมหายใจหายไปจึงนั่งรู้หนอรู้หนอ จนเหมือนตกจากที่สูงแล้วจิตนิ่งสงบนั่งอยู่พักใหญ่จึงรู้สึกเมื่อยเลยจะออกจากสมาธิจึงท่องออกหนอออกหนอแทนพุโทโธพุโทโธเพื่อที่จะลืมตาแต่สักแปบ๊บจิตก็เหมือนรวมเข้าสมาธินิ่งอีกเป็นอย่างนี้หลายรอบจึงออกจากสมาธิได้ลักษณะแบบนี้คือถูกต้องไหมคะ ดีแล้วล ะ, ละพยายามให้อยู่ในสมาธิให้นานที่สุดให้บ่อยที่สุดถ้าเวลาออกก็ใช้สติดึงกลับเข้าไปเวลาบอกว่าออกหนอออกหนอะนี้มันก็เป็นการเจริญสติหยุดความคิดที่อยากจะออกไปทางตาหูจมูกลนกลายมันก็เลยดึงจิตให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําได้ทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีใหญ่ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องออกไปวุ่นวายทางกับรูปเสียงกลิ่นรส อยู่กับความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่วิเศษที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วหลังถ้าเราชำนาญแล้วต่อไปเวลาออกมาก็ใช้ปัญญาให้คิดว่าสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดก็เสียใจแล้วก็ต้องหาใหม่หาได้มาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไป แล้วถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกคิดอย่นี้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเบนของเราไปได้ตลอดเวลาเราก็จะได้ไม่อยากจะออกไปสู้อยู่ข้างในดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าคําถามจากคุณคําถามจากเฟซบุ๊กค่ะคุณกนกรักดวงฟูที่บ้านเลี้ยงหมาเจ้าค่ะขอถามว่าเราฉีดยาคุมกําเนิดให้จะบาปไหมเจ้าคะอ๋อไม่บาปหรอก เพราะเราไม่ได้ไปฆ่าหมาจะบาปได้ไงเพียงแต่ป้องกันแม่เขาไปผลิตลูกเท่านั้นเองคำถามจากคุณชัยลูกแม่มีการได้ถวายสังฆทานแด่พระอริยะเช่นพระโสดาบันได้รับอ น, นิสงฆ์มากกว่าพระภิกษุทั่วไปมากน้อยแค่ไหนครับคืออ น, นิสงฆ์มันมีสองส่วนส่วนที่เราได้รับทางจิตใจนี่เหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจ ที่เกิดจากการได้เสียสละทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองไปให้แก่ผู้อื่นส่วนนี้ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้รับจะเป็นใครก็ได้เหมือนกันจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจผู้ให้เองว่าต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับหรือเปล่าถ้าต้องการมันก็จะทําให้ความสุขใจนั้นหายไปได้ถ้าต้องการได้รับประโยชน์จากผู้รับแล้วไม่ได้รับประโยชน์ ก็จะเสียใจแทนอันนี้งั้นส่วนของผู้ให้นี่ถ้าอยากจะให้แล้วได้บุญอย่างเต็มที่ได้ความสุขอย่างเต็มที่ก็ต้องให้แบบไม่หวังอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนนอกจากความสุขที่ได้จากการให้นี้อันนี้ไม่ว่าจะให้ใครได้เหมือนกันให้อย่างเคยพูดเดี๋ยวจะหาว่าเปรียบเทียบให้พระอาหารหรือให้หมาก็ผีผีมา ให้ป้าหลานหรือให้หมามันก็ได้ความสุขใจเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราให้หมาเราลักหมานี่เราเลี้ยงมั น, นีเรามีความสุขไหมเร า, า, ารักป้าหลานเราใส่บาเรามีความสุขไห ม, มก็ความความสุขแบบเดียวกันใช่ไหมอันนี้ไม่ว่าจะผู้รับจะเป็นใครนี่ได้อ น, นิสงฆ์เท่ากันส่วนอนิสงฆ์ที่ผู้รับจะให้กับเรานี่ไม่เหมือนกันให้หมาหมามันก็เห่าเรีย้ยเราเนี่ย ห้พาหละหันท่านก็ดา่าเราสอนเราให้ไปนิพพาน <c oughs> มันก็ต่างกันตรงนั้นอันนี้สองต่างกันน้นคะคำถามจากคุณสามภพค่ะนั่งภาวนานานแล้วเกิดปวดชาควรเปลี่ยนท่าหรือทนให้หายไปครับพระท่านที่ปฏิบัติถึงขั้นโสดาบันนั่งภาวนานา น, านท่านมีอาการปวดขาปวดชาหรือไม่ครับท่านมีวิธีจัดการอย่างไรครับ คือวิธีปวดขานี่เราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราห้ามใจเราไม่ให้ไปเดือดร้อนกับมันที่เรานั่งแล้วเราทนอยู่กับความปวดขาปวดนั่งทางร่างกายไม่ได้เพราะใจเราไม่สู้ใจเราอยากจะหนีพออยากจะหนีมันก็เลยกิดความทรมานใจขึ้นมาจนทนอยู่ไม่ได้ทนนั่งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดความอยากหนีได้ ทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาได้ก็อยู่กับมันได้วิธีนั่งสมาธิก็ฝึกเพื่อให้ใจมีอุเบกขาถ้าอยากจะมีอุเบกขาเวลาเกิดความเจ็บแล้วเกิดความอยากจะลุกก็พุดโธพุดโธไปสร้างสติขึ้นมาให้มากถ้าสติมีกําลังมากกว่าความอยากจะลุกจิตก็จะสงบแล้วจิตก็จะเป็นอุเบกขาก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บได้ต่อไปถ้าไม่มีสติความอยากมันจะมีกําลังมากกว่า มันก็จะสร้างความทรมานใจจนกระทั่งทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาคำถามจากคุณไพัดพง์ผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงหรือไม่ครับก็เคยมีใครจับมา <c oughs> <c oughs> จับมาให้ดูบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีใครจับมาก็ถือว่ามันไม่มีก็แล้วกันถ้ามีมันต้องจับได้แล้วใช่ไม เสือนี่ยังจับได้หมาอยังจับได้ช้างยังจับได้เลยแล้วผีมันพูดกันอยู่นั่นแนหะแต่ไม่มีใครจับได้สักคนก็แสดงว่ามันไม่มีถ้ามีมันต้องจับมาให้โชกันได้แล้วคําถามจากคุณปิรัตเดินปัญญาคือเมื่อเมื่อเจอสุขให้วางเฉยเมื่อเจอทุกข์ให้วางเฉยดึงใจกลับมาภาวนามามีสติเหมือนเดิมถูกไหมครับ ก็คือให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปอยากเห็นอะไรแม้แต่ความสุขก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าอยากให้มันอยากได้มันอยากให้มันอยู่กับเราเวลามันหมดไปก็จะทำให้เราทุกข์ก็อย่าคือไม่ให้ยินดียินร้ายกับสุขกับทุกข์ทุกมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปถ้าทุกมาแล้วอยากให้มันหายไปก็ทุกข์อีกทุกมาก็ให้อยู่กับทุกข์ไปสุขมาก็ให้อยู่กับสุขไป แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดสุข ก, ก็ไม่ติดทุกข์ก็ไม่ขับไล่สายส่งคำถามจากคุณอนุสรค่ะการสวดมนต์ให้มีประสิทธิภาพสวดให้เป็นสวดให้ได้บุญสวดให้ได้คุณภาพควรทำอย่างไรครับก็สวดแบบไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการสวดแล้วก็ถ้าสวดในใจได้หลับตาได้ยิ่งดีอย่าไปเปิดหนังสือสวด เพราะว่ามันสู้นั่งหลับตาสวดไม่ได้เพราะจะทำให้จิตสงบได้มากกว่าการสวดนี่ก็เพื่อให้มีสติเพื่อก็ทำใจให้สงบให้เน่งนั่นเองคำถามจากคุณศนีนาคการสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเป็นประจำถือว่าเป็นการทำภาวนาไหมครับพระอาจารย์ก็เป็นการทาระดับภาวนาระดับต้นๆคือถ้านั่งสมาธิหลับตาดูลมไม่ได้พูดโทไม่ได้ก็ นั่งสวดมนต์ไปก่อนต่อไปถ้ามีสติมีกำลังมากขึ้นก็หลังจากสวดนมน์ก็ให้นั่งดูลมต่อไปให้นั่งพุทธโธต่อไปก็จะได้สมาธิได้ความสงบในระดับที่สูงขึ้นไปตามลาดับคำถามจากคุณมนุษย์ในศาสนาพุทธผมอยากออกบวชตลอดชีวิตแต่ไม่มีเงินสักบาทครับต้องทำอย่างไรดีครับคนบวชเขาไม่มีเงินสักคนเ ข, เขาไปบวชกันเนะันั้นนหะ บวชนี้ไม่ต้องใช้เงินมีแต่ให้มีแต่ให้ ท, ทิ้งเงินไว้ไม่ให้เอาเงินติดตัวไปให้มีอั ฐ, ฐบริการให้มีอุปชาเท่านั้นเองก็มีบวชได้ะงั้นถ้าเราไม่มีเงินก็ไปหาพระที่ท่านเมตตาท่านที่บวชโดยไม่คิดเงินแต่มาอันนี้มันกลายเป็นพุทธพาณิชย์ไปแล้วเวลาบวชนี้จะต้องมีค่าน้ําชาข้าสวด แต่ถ้าเราไปไปไปอไปทําตัวเราให้เขาเห็นว่าเราเป็นบุคคลที่น่าจะบวชให้เขาก็จะบวชให้อย่างที่นี่บางทีมีชาวต่างชาติมาจะมาขอบวชที่นี่เขาไม่บวชนะแต่เมื่อเขามาศึกษาเขามาปฏิบัติทําตัวจะกระทั่งมีคนอยากจะบวชให้เขาเนี่ยมีพระมีญาติโยมช่วยกันน เ, เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อาศัย ญ, ญาติโยมของคณะเราเนี่ยคุณจริงเป็นเจ้าภาพบวชให้ชาวโรเมนียเป็นคนหนึ่งไม่ต้องมีเงินแต่ต้องทำตัวให้สแสดงให้เขาเห็นว่าตนเองอยากจะบวชจริงๆและมีคุณสมบัติมีความพร้อมที่จะบวชและมีคนยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องของการบวชแต่อยู่ดีๆมาบอกว่าผมอยากจะบวชช่วยบวชให้หน่อยนี้ยังไม่ยังไม่มีทาง อย่างวัดหนองป่าพงนี้ก็ไปอยู่สักปีหนึ่งก่อนอไปพิสูจน์ว่าอยากจะบวชจริงหรือเปล่าอยากจะบวชจริงลองไปเป็นผ้าขาวดูสักปีหนึ่งก่อนอยู่แบบผ้าขาวไปก่อนนถ้าอยู่แบบผ้าขาวแล้วปฏิบัติตนจนเป็นที่น่าชื่นชมยินดีต่อผู้อื่นเขาก็อยากจะช่วยสนับสนุนให้บวชเองในเรื่องของการบวชนี่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเงินเรื่องทองบวชได้แต่ต้องหาที่บวช คำถามจากคุณชวนพ่อเจมและน้องพลอยขอเมตตาพระอาจารย์อธิบายว่าอธิบายคำว่ากิเลสได้ยินมาหลายครั้งบางครั้งก็อธิบายว่ากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือความโลภความกโกรธความหลงคาว่ากิเลสในใจคนจริงๆแล้วคืออะไรครับขอความเมตตาก็นี่แหละตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือกิเลสเทนะ่านั้น เวลาโลภ ก, ก็ทำให้เราไม่สบายใจเวลาโกรธก็ทำให้เราไม่สบายใจเวลาหลงก็ทำให้เราไม่สบายใจนี่เรียกวกิเลสตัวที่ทำให้ใจเศร้าหมองใจไม่สบายใจคำถามจากคุณเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการกราบพระแบบปกติกับการกราบแล้วอธิษฐานว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเข้าถึงพระนิพพานต่างกันไหมเชค้คะ การตากการกราบพระเราไม่ได้ไปขอการกราบพระเพื่อเราลกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้เราเร็กว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราต้องหมันศึกษามันศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆนี่นี่คือความหมายของการกราบนอกจากการแสดงความเคารพนับถือด้วยการกราบนี้แสดงว่าเราอ่อนน้อมเรายอมรับ ท่านว่าท่านสูงกว่าเราท่านเก่งกว่าเราท่านดีกว่าเราท่านฉลาดกว่าเราเราต้องอาศัยให้ท่านเป็นที่พึ่งของเราเป็นผู้สั่งสอนเราเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานี่คือความหมายเวลาเรากราบไม่ได้กราบเพื่อขอพระนิพพานข อ, ขอลูกขอหลานขอตาแหน่งขอเงินขอทองอันนั้นไม่ใช่เป็นการกราบที่ถูกตามหลักของพระพุทธศาสนาจากคุณชัยลูกแม่มี การได้ถวายของแด่พระอริยะหนึ่งองค์ได้รับอนิสงส์เทียบเท่ากับการถวายสังฆทานพระภิกษุสี่รูปใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันก็บอกแล้วไงว่าอนิสงส์ที่เราได้รับในใจเหล่านี้ถวายรูปหนึ่งถวายสี่รูปมันไม่ได้อยู่ที่กี่รูปลับอยู่ที่ว่าให้ถวายเท่าไหร่ถ้าให้ ถวายร้อยหนึ่งเราให้สี่รูปไปแบ่งกันกับถวายร้อยหนึ่งรอยหนึ่งรูปไปรับไปมันก็ได้ผลเท่ากันคือได้บุญร้อยบาทเท่ากันสาหรับผู้ให้นะแต่ส่วนผู้ที่จะผู้รับจะให้อะไรกับเรานี้อถ้าเป็นพระสงฆ์ปุทุชนสี่รูปกับพระอริยะคือพระโสดาบันนี่พระโสดาบันให้กับเราได้มากกว่าพระปุทุชนสี่รูปให้กับเรา แต่พระปุตุชนมากกว่าก็จะให้ที่พระโสดาบันให้ไม่ได้ก็คือบวชให้ไม่ได้เวลาจะบวชนี้ต้องมีพระอย่างน้อยสิบรูปในที่ชุมที่มีพระเยอะถ้าอยู่ในที่กันดารก็อย่างน้อยต้องมีพระห้ารูปถึงจะบวชพระได้พระโสดาบันรูปเดียวนี้บวชไม่ได้ตามพระวินัยต้องมีพระ ส ม, มุติสงคือพระที่เป็นพระธรรมดาพระปุตุชนหรือพระโสดรหรือพระอริยะก็ได้แต่ต้องมีพระสงห้ารูปขึ้นไปถึงจะบวชพระได้คำถามจากคุณพริมพไกรธรรมมีผู้ปฏิบัติธรรมอ้างว่าบรรลุธรรมสูงสุดและมีผู้รับรองได้โดยคารวะที่บรรลุธรรมแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้โยมสงสัย ยังไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนั้นถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าสงสัยก็จะก็คงจะปฏิบัติไม่ได้แล้วถ้าเราสงสัยแล้วก็ไม่แน่ใจเมื่อไม่แน่ใจเราก็จะไม่นำเอาไปปฏิบัติ ดนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าผู้สอนนี้สอนเราเยะได้อย่างถูกต้องเหมือนคนบอกทางเราจะไปเชียงใหม่ไปถามคนที่เขาบอกแล้วเราไม่มั่นใจว่าเป็นจะพาให้เราไปถึงเชียงใหม่หรือเปล่าเราก็เลยไม่ไปใช่หไหมก็กลัวจะถูกหลอกอแต่ถ้าเรามั่นใจว่าคนนี้เคยบอกทางคนอื่นแล้วไปถึงแล้วเราก็จะมีความมั่นใจยังไงไปศึกษาจากคนที่เรามีความมั่นใจดีกว่า ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เอาตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละเรียนจากพ clothes, well. months, ระไตรปิฎกเนี่ยมีมีพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล <Yeah. S 2> ้วแล้วไปกังวลกับคนอื่นทำไมคนที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้เอาของที่เขารับรองมาต้องสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วไม่ดีกว่าเลยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก เขาอับรลองกันว่ามาจากพรอโอทของพระพุทธเจ้าแล้วได้มีการศึกษาได้มีการจดจําถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันก็เอาอนี่ไปก่อนจนกว่าเราจะได้ดีกว่าดีกว่าอย่างไรดีกว่าตรงที่ถ้าได้เจอคนที่ปฏิบัติและบรรลุผลแล้วนี่จะดีกว่าเพราะจะได้รายละเอียดมากกว่าไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะเพียงแต่ว่าคาสอนในพระพุทธเจ้านี้มันก็เป็นคาสอนหลัก แต่อาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดต่างๆอัง น, นั้นต้องอาศัยคนที่ปฏิบัติแล้วมาสอนอีกทอดหนึ่งมาขยายความคาสอนของพระเจ้าในพระไตรปิฎกสอนในพระไตรปิฎกสอนแบบตามหลักกว้างๆแต่ไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดหรืออาจจะมีก็ได้แต่ต้องค้นหาในพระไตรปิฎกซึ่งอาจจะยากเพราะมีคำสอนอยู่มากมาย แต่ถ้าได้ไปศึกษากับผู้ที่ได้บรรลุธรรมเช่นพระอรหรนันต์นี่ท่านก็จะสอนได้ในรายละเอียดต่างๆที่เราไม่รู้มีสงสัยอะไรก็ถามได้ถ้าหาพระอรหันต์ไม่ได้ก็อาศัยพระไตรปิฎกไปก่อนก็ยังพอไปได้แต่อาจจะช้าหน่อยเพราะต้องต้องทดลองผิดบ้างถูกบ้างตามความเข้าใจของเรา เพราะปัญญาของเราบางทีอ่านแล้วเราอาจจะแปลความหมายไม่ถูกตามความหมายเดิมก็ได้คำถามจากคุณอัมไพพรเวลานั่งสมาธิตอนแรกๆก็ดูลมหายใจพอไปสักพักมักคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะเออก็หยุดคิดเถอะสิจะไปแก้ไขยังไงก็กลับมาที่ลมใหม่นั่นเองก็กลับมาดูลมใหม่มันไปคิดก็นึงมันกลับมาที่ลมก็เท่านั้นเอง จะแก้ยังไงล่ะ <laughs> คำถามจากคุณลินนีเราสามารถแก้การย้ำคิดย้ำทำอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไรเจ้าคะสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก็ย้ำคิดย้ำทำอะไรเหรอถ้าย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ดีก็ทำไปสิย้ำคิดอยู่กับพุโทโธนั่นก็ดีไม่เห็นเสียหายตรงไหนกพ็พุโทโธพุทโธไปเลย ถ้ายามคิดถึงหาเงินหาเงินหาแฟนหาแฟนก็เลิกซะราะมันทุกข์ <c oughs> ให้มาหาพุโทโธพุโทโธดีกว่า <c oughs> ยามคิดย้ำทำมันดีมันเพียงแต่ว่ามันมันพยายามคิดย้ำทำกับเรื่องไหนเรื่องที่ดีก็ดีไปเรื่องที่ไม่ดีก็เลิกเลยเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ก็อย่าไปทํามันเรื่องที่มันทําให้เราสุขก็ทํามันคํำถามจากคุณถ้วยฟู เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นอุเบกขาที่แท้จริงครับเราจะรู้ยังไงเวลาเรากินข้า ว, วเวลาอิ่มมีต้องไปถามใครหรือเปล่าพี่ผมอิ่มหรือยังเฮ <c oughs> ้ยผมไม่รู้หรอกคุณกินคุณก็ต้องรู้เลยคุณนั่งสมาธิคุณต้องรู้เองสันทิติโกปัจจตังนั่งแล้วเวลาอิ่มมันรู้เองเวลาเป็นอุเบกขามันรู้เองไม่ต้องถามใคร อีกคำถามจากคุณทวยฟูค่ะทำไมอริยสัจสีไม่เรียงจากทุกสมุทยัยมรรคนิโรธเพราะมรรคเป็นทางให้ให้เกิดนิโรธดับอ่าคุณอยากจะเรียงทางน้องก็เรียงไปสิ <laughs> <laughs> ไม่มีใครว่าอะไรคุณ <laughs> อะไรวะ <laughs> <laughs> ชอบเก่งเรื่องไม่เข้าเรื่อง <laughs> เรื่องให้เก่งก็ไม่เก่งอ้ มันมันยุ่งอะไรเรื่องเรียงมัน เ, เรียงลําดับทำไมไปปฏิบัติซิทำให้มันนิรโทษปรากฏขึ้นมาเอจะเรียงลําดับไหนก็ได้เ <laughs> นี่ยคนเรามันเสียเวลากับไอ้เรื่องไร้สาระอย่างเงี้ย <laughs> จับประเด็นไม่ได้ฟังทำแล้ว ย, ยังจับประเด็นไม่ได้ <laughs> ยังมาจับให้เรียงลําดับกันใหม่อีกวะ <laughs> เขาเรียก ง, ง้อแล้วอวดฉลาดเนาะ คำถามจากคุณทอมค่ะเวลานอนผมชอบนอนดูลมหายใจหรือไม่ก็พุโทโธแต่ทําไปสักพักก็หลับอย่างนี้จะได้สมาธิหรือเปล่าครับไม่ได้หรอกก็ได้หลับพราะมันก็บอกอยู่แล้วมันหลับนะ้วอยากได้สมาธิก็อย่านั่งอย่านอนถ้านอนมันท่านหลับ ้ท่าสมาธิคือท่านั่งเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิหรือนอนสมาธิเออท่านนอนก็ท่านก็หลับเหนไเนี่ยท่านนอนสีหาสายาตก็เป็นท่านอนของพระพุทธเจ้ามีไห ม, มอ่าคำถามหนึ่งคะ่ะคุณคำถามจากคุณวิลาวันขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําวิธีการคิดพิจารณากายอสุภะด้วยค่ะ ใช้วิปัสสนึกนำวิปัสนาได้ใหม่เจ้าคะก็ต้องวิปัสสนึกก่อนถ้านึกไม่ออกก็ต้องดูภาพก่อนไปดูที่โงรงพยาบาลก็ได้เขาโรงพยาบาลสอนนักศึกษาแพทย์มีการามีการผ่าศพจะได้เห็นอวัยวะต่างๆเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเมื่อเห็นแล้วก็มานึกอยู่เรื่อยๆมาจดมาจาเหมือนเราไปหัดเรียนกอไก่ขอไข่ พอจะพอเรียนกอไก่แล้วเราก็ต้องหัดท่องกอไก่ขอไ ก, อไก่ท่องให้มันจำได้ต่อไปเราก็จะได้สะกดได้ถ้าเราดูาออสุภาพะแล้วเราก็มา น, นึกอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเห็นใครก็คิดถึงตับไตไส้คุ้งของเขาคิดถึงหัวหัวใจคิดถึงปอดคิดถึงกระดูกของเขาต่อไปเวลาเห็นใครมันก็จะเห็นท้งอาการสามสิบสองเห็นท้งข้างนอกเห็นทางข้างในมันก็จะไม่หลง มันจะได้ไม่หลงคิดว่าร่างกายสวยงามมันก็จะรู้ว่าร่างกายนี้สวยข้างนอกแต่น่าเปลี่ยนข้างในมันก็จะได้ไม่หลงรักใครมันก็จะไม่ต้องมีแฟนอยู่คนเดียวได้นี่คือวิธีพิจารณาต้องนึกก่อนต้องนึกบ่อยๆนึกจนกระทั่งไม่ต้องนึกจําได้พอเห็นปุ๊บเห็นปั๊บเลย พอเห็นใครปั๊บก็เห็นปุ๊บก็ไปเลยเข้าไปข้างเห็นลำไส้ทันทีเลยเห็นกระดูกทันทีเลยเห็นโครงกระดูกทันทีเลยเนี่ยเห็นดาราภาพยนตร์เห็นบนจอทีวีเห็นดาราหนังนี่กลายเป็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงหมดเนี่ยมันต้องเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่มีกามาตัญหายต่อไปกามาราคะก็หมดไปอันนี้คือการฝึกต้องฝึกบ่อยๆต้องเห็นตลอดเวลา อย่าไปเห็นตอนที่นั่งสมาธิแล้วพอมาดูหนังก็มองไม่เห็นแล้วล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้มันมีไว้เพื่อมาดับการอารมณ์เวลาอยู่ในสมาธิมันไม่มีประโยชน์นอกจากเป็นการทำการบ้านเท้งนั้นเองแต่เป็นเวลามาเจอของจริงนั่นแหะที่เรียกว่าเป็นการทำข้อสอบเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเห็นรูปคนนั้นก็สวยขึ้นมาอย่างนีน้ถ้าไม่มีอสุภะก็แสดงว่าสอบตก ถ้าเห็นว่าสวยแต่พอนึกถึงอสุภาพปั๊บก็หายสวยต้องเห็นตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิถึงจะเป็นประโยชน์ตอนอยู่ในสมาธิมันเป็นการทําการบ้านยังไม่มีข้อสอบนอกจากว่าอยู่ในสมาธิมีแล้วมีรูปสวยๆโผล่ขึ้นมาเทานั้นจะต้องใช้รูปไม่สวยมาดับความสวยของรูปที่สวยนั้นอีกทีเนี่ยยังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต่างอยู่ข้างในสมาธิหรือนอกสมาธิ ถ้าเห็นรูปสวยๆงามๆเห้นรูปคนสวยๆงามๆนี้ถ้าไม่มีอ ส, สุภะก็แสดงว่าสอบตกถ้าไม่เห็นอ ส, สุภะก็แสดงว่าสอบตกถ้าเห็นอ ส, สุภะก็จะผ่านเพราะจะไม่มีการาอารมณ์จะไม่รู้สึกอยากจะมีแฟนไม่จะไม่มีความอยากให้เขามาเป็นแฟนอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนเอาละนะวันนี้ก็พอดีหมดเวลา